พระพุทธเจ้าและพนราสภาทั้งหลายผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังก์ทรงพิชิตพระยามาราทิราชผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหณะแล้วสเสวยอมตะรสคืออริยสัจธรรมทั้งสี่ประการเป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข มียี่สิบแปดพระองค์คือพระผู้ทรงพระนามว่าตันหังกรเป็นอาทิพระพุทธเจ้าผู้จอมมุนีทั้งหมดนั้นข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเสียนกล้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนสีรัะพระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสอง พระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสัพพคุณอยู่ที่อกพระอนุรุท ธ, ธะอยู่ที่ใจพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาพระโมกคคัลาอยู่เบื้องซ้ายพระอัญยาโกนธั ญ, ญะอยู่เบื้องหลังพระอานน์นกับพระลาหุนอยู่หูขวาพระกัสสปะ กับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้ายมูนีผู้ประเสริฐคือพระโสพิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่ที่ทุกเส้นขนตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลังพระเถระกุมารกัสสะผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษมีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ปากเป็นประจำ พระอุณะพระอังคุลิมาณพระอุบาลีพระนันทะและพระศีวลีพระเถระทั้งห้านี้จงปรากฏเกิดเป็นกระจะจุนเจอมที่หน้าผากส่วนพระอาสีติมหาเถระที่เหลือผู้มีชัยและเป็นพระโอรสเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัย แต่ละองค์ล้วนรุ่งเรืองไพรโรดด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้าพระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวาพระอังคุลิมานปริตรอยู่เบื้องซ้ายพระทชักขสูตรอยู่เบื้องหลังพระขันธปริตรพระโมรปริต และพระอาณาตาติยสูตรเป็นเครื่องกลางกั้นดุดหลังคาอยู่บนนภาากาศอันนึง่งพระชินพุทธเจ้าทั้งหลายนอกที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ผู้ประกอบด้วยกําลังนานาชนิดมีศีลาทิคุณอันมั่นคงคือสัตตะปราการเป็นอาภรณ์มาตั้งล้อมเป็นกําแพงคุ้มครองเจ็ดชั้น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 ได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดีชะนี้แลข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัทธรรมจึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัตถวอันตรายใดๆด้วยอานุภาพแห่งพระทินพุทธเจ้าชนะฆ่าศึกศัตรูด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติและรักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิดนิรันดรเทินสาธุ ระคาถาชินบัญชรนี้เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักตกทอดมาจากลังกาเจ้าประคุณสมเด็จค้นพบในคำพีโบราณได้ดัดแปลงแก้ไขแต่งเติมให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษได้เนื้อถ้อยกระทงความสมบูรณ์แปลออกมาแล้ว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 ลงมาจนล้อมรอบตัวจนกระทั่งหาช่องโหว่ให้อันตรายสอดแทรกเข้ามามิได้อานุภาพแห่งพระคาถาผู้ใดได้สวดภาวนาพระคาถาชินบัญชรนี้เป็นประจำอยู่สม่ำเสมอจะทำให้เกิดความสิริมงคลสมบูรณ์พูนผล ศัตรูหมู่พานไม่กล้ากล่ำลายไปทางใดย่อมเกิดเมตตามหานิยมเกิดลาภผลภูนทวีขจัดภัยจากพูดผีปีศาจ ต, ตลอดจนคุณไสต่างๆทำน้ำมนต์รดแก้สัพพโรคภัยเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต มีคุณภาพตามแต่จะปรารถนาดังคำโบราณว่าฝอยท่วมหลังช้างจะเดินทางไปที่ใดๆสวดสิบจบแล้วอธิษฐานจะสำเร็จสมดังใจ Thank oh. you.